เป็นอย่างส่วความสุขความสงบท่พนไปจากขาดขันขันตาว่านักสืบสันติเพื่อไปอีกอย่างเราเคยปฏิบัตปฏิบัติอย่างสงบสงัดจากที่เหลือกันหาในเวลาที่จิตของเราเข้าไปสงบแฝงไปเคยตัดสินใจหรือไม่ไปจักในใจว่าความสงบส่วนนี้เป็นความสงบ จ่กที่เลวทั่วไปความสงบส่วนนี้เป็นความสงบที่หลุดพ้นไม่เคยเชื่อในตนมาตนหลุดพ้นไม่เคยเชื่อในตนว่าสงบสงัดจากที่เหลวจริงจังเพียงแต่สงบของจิตของใจที่ม่ปรุงไปตามสัญญาอารมณ์หรือขาดจากสัญญาอารมณ์ตั่วการออตั่วเวลาแล้วความสงบที่ขาดไปจากที่เหลวปัญหาที่เป็นความหลุดพ้นเป็นอย่างไรเข้าใจ กาจกนักปฏิบัติจะต้องเห็นผลในการปฏิบัติของตนแต่อย่างนี้นใช่ว่าสงบนิดหน่อยแล้วก็คือว่าเป็นห่องดีท่องดีดีเสร็จแล้วแต่ี่เลสปัญหานี่อยู่ในจิตในใจเป็นอย่างไรในข้นข่าหรือที่นี้ที่เจรนาหรือมไม่เในแค่แต่ที่นี้ที่เจรนาการสงบไม่ใช่สงบสักทีเพียง ส, ง บ, ง, สงบลงไปนิดหน่อยเท่านั้น ก็เก okay, like ิดความปื้มใจดีใจเหมือนคนจนพบล่าลำรวยเงินนิดนิดหน่อยหน่อยก็ว่าตัวรวยใหญ่เงินมันควันควายอะไรควนที่สุดช้ายสลยไปนิดนิดหน่อยน่อยก็หมดเงินหมดทองที่ตนได้มาก็เป็นคนจนอีกอย่างเดยมนี่ท่านผูกกับเพื่อปฏิบัติได้มาขนาดความสงบสันต์วันนั้นเป็นอย่างนั้นเดือนนั้นเป็นอย่างนี้ รู้จักมาทุกระยะทุกเวลาจนถึงเขาว่าความดุจพนเป็นอย่างไรเหมือนกันเราความสงบสงับใจที่เราเคยปฏิบัติปฏิบัติมาคอยใจชัดเจนความเป็นอย่างนั้นนับตั้งแต่เราตั้งหน้าตั้งตาไปปฏิบัติมาไม่เคยแต่ศพพบเหตุแต่ความประสบพบตุอย่างนั้นเรายังมีการสงสัยแทงใจว่ามันจะเสียจะเสีย จดีจะชั่วต่อไปอีกหรือไมก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดปัญหาในระยะจิตใจของผู้ประฤอบปฏิบัติลดท้นถ้าหากจะไม่ลดท้นเกิดสงสัยเกิดลังเลใจมันจะเป็นตัอย่างไรอีกเหมือนกันกับเราเดินทางยังไม่ถึงจุดหม่จะเกิดความสงสัยอะนี่ จะไปทางไหนแะถึงหรือไม่ในวันนี้คิดไปต่างๆถ้ากไดถึงที่ถึงฐานและหมดทุนทางหมดความสงสัยในทางสืบตนมาพอถึงจุดหมายปลายทางได้มีกา ร, ป, รปฏิบัติของพวกเรา ท, ทั้งหลายก็ให้มันพยายามที่นี่ที่นั่นมันศึกษามัน ป, ปฏิบัติวันนั้น วันนี้เดือนนี้ทีนี้เรื่อยไปผลที่สุดจิตใจเมื่อมันเดนินก้าวหน้าถึงแม้ว่าก่อนช้าก่อนยังมีวันมีเวลาที่จะถึงจิตหมายลา ย, ายทางถ้าหากเอเวแต่ถ้ว่าวกวนหรือหยุดสั่ ง, งมันก็ไม่มีวันเวลาจะไปถึงจิตหมายายทางได้ถ้าต่อตามแต่ถ้ว่าจะพยายามเดินไปไม่หยุดไม่พอด ผลิตจุดก็จะถึงจุดวามต่อการครับนได้เกิดนั้นการต่อเ ท, ปทืปฏิบัติจะพาการต่างเน่ต่างตางต่อเพปฏิบัติอย่าให้จิตท้องตนวอกวนกลับไปสู่ทางทั่วให้อุตสาหพยายามปรับปรุงตัวของตัวประเพื่อปฏิบัติให้ดีเด่นขึ้นไปอย่าจะไปทำให้เกลียดมันเจ็บปวดมันจะเป็น เสือตายคืเสือเจ็บเสือถูกปืนที่ในตายมันจะตัดมาตัดตัวให้เจ็บปวดต่อไปมีนักปฏิบัติถ้าหามีขอ้อคิดมีปัญญาแนะ ส, สอนสอนตนอยู่ทุกวั น, ท, วนทุกเวลาอุตส่าห์พยายามสั่งหน้่ยต้องเชิดปฏิบัติสอนตนไปในทางทำทางดีในสอนใจของตน ไม่เหตุเกิดความเสือ่อความเลื่อมใสในฝ่ายที่เหนือปัญหามันประพฤติปฏิบัติมันละมันทอนความยึดความถือจะเป็นภัยอันตรายแฉดการประพฤติปฏิบททัติของตนทุกคนเมือ่อต่างหนา้าต่างตาสอบสืบทีนิธิีเจนาะละชั่วบำเพนดีอย่างก่อนนับวันณับเวลาที่จะมีความสงบเศ้าหน้าไปสู่ความ หลุดพ้นจากีิเลสปัญหาได้เหตดนั้น ใ, าาในอวสานการอธิบายธรรมนี้ขออาณาจทุกท่านและขอเชิญทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเอาซื่ปฏิบัติเพื่อเอาชนะความทั่วฝ่ายตามคือกิเลส อ, ออกจากจิตจากใจของตนไดน้หากเราท่านทั้งหลายพยายามํำจัดปัดเป่าความทั่วพยายาม จะทำบำเพ็ญความดีทุกการทุกเวลาไปความดีที่เราป่าเถนาจะเกิดมีขึ้นในวันหนึ่งทางหน้าเหตุ น, นั้นจงพากต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติอย่าไปสงสัยว่าวาสนาทั้งตัวไม่มีหรือมรรคผลไม่มีหาเราตัางหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติดีๆตาม ทางศิลปุตยเจ้ า, าแน่อนบุคคลผู้นั้นจะถึงจุดหมายปลายทางในการใดสมัยหนึ่งแนนนอนแหนวสารการอธิบายทราขอทุกท่านช่วพากันมีความสุขความเจริญปรารถนาสิงใดขอสิ่งนั้นสำเร็จตามความมุ่งมาจปรารถ น, นาทุกคนหน้ากันเทลยอยวั พวกเราทุกคนมุ่งหน้ามุ่งตามาออกจากปฏิบัติและโลกเขากขอสมมดิให้ว่าเป็นปลาเป็นเนยทุกคนให้สนใจในชื่อทงตนคำว่าปลา แต่เป็นภาษาไทยของเราฝาภูกไปเบิดคำวันเองออกจากมันนะคือพูดสงก ต, ตัวของเราถ้าหากไม่คิดลึกถึงชื่อของเราคำภา้าที่รรเรากรเิเรากรเบิดยางไงการของเราไปะเบิเด้ยวยทีมรายจาของเรากระเบิโดยที คือเราต่างหน้าต่างตารับกษากายราจาของเราไม่ให้พลาดจิดไปในทางทุจริตต่างๆซึ่งจิดจะเขาว่าหยาดโยมซึ่งเขาไม่ได้เขามาบวดเขาอยู่ตามกินฐานดานสองของเขาพอคิดไปตามความผัก ด, ดัน ของใจไม่มีขอบเิดในการกระทำและการพูดเกตดนั้นผู้เข้ามาบวชถึงเรียกว่าพระวเัเนยยังเป็นผู้ที่เขาเคารพเรื่องใจยินดีพอใจเพราะเหิุที่พวกเราเป็นนักบวชตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลเอาไว้ไม่จะทิจัตยตามอำเภอใจของคน นี่ก็ได้ชื่อว่าพวกเราประเสริฐอย่างหนึ่งิึ่งประเสริฐกว่าพระวาญโยมเขายิ่งเทืดาสูงขึ้นไปเป็นพักหรือไม่ีมของเราผมาเข้าไปทางรักษาทางกายทางวาจาส่วนใจของเราเราเคยแล่ลึกไม่คิดอย่างไรซึ่งจะให้ผมเชื่อเราเป็นพระ คือผู้ประเสรใจของเราถ้าหากนึกคิดบกวนไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกเป็นต้นว่าผู้เสียงดินรดต่างๆก็ได้ชื่อว่าเราไม่แปกอะไรกับคารวะจากโจมเขาแต่ผู้ที่มาบวชเป็นชัเกเป็นสมณะหรือสามเณรต้องสงบร่างับ ดับความคิดส่วนนั้นและเลิกเลิกคิดในทางพระกรรมฐ า, านคือคิดอ่านที่จะปรับปรุงตัวของตัวให้เป็นผู้ประเสิฐประเสริฐโดยความคิดความเห็นความคิดความเห็นที่จะประเสริฐได้ก็อาศัยธรรมะของพระพุธธทธเจ้าจึงเรียกว่าพระกรรมฐ า, าน หมายตามหลัะเกษตรกรรมฐานคือที่ฐานะคือที่ตั้งของการงานการงานที่จะปเสร็จได้ต้องเป็นการงานทางฝ่ายผจริญถ้าเป็นการงานทางฝ่ายผูจริญไปเสร็จวิเศษไม่ได้ยิ่งทํามาเท่าไรก็ยิ่งยิ่งจะทํากายรายกาใจหรือทําโลกให้เดือดร้อนส่วนผู้ที่จะเพื ทางพทธิทางพุกธเจิตเราเพืาอมาเทไปเท่ารตายใจทั้งตนก็เยือกเย็ยนบุคคลและตัดสิ่โลกทั้งโลกก็ได้รับความเยือกเย็ยน็นสุขเียงนั้นสรรมาฐานที่พระพุทธเจา้าตรงนี้นพวกเราจึงเป็นพาะเป็นเมนให้ฝึกอบรมบ่มนิสัยทั้งตนนมากข้อหลายอย่างซึ่งพวกเรา พอจะเียกดชัดจับหามาสอนใจของพวกเรา้าได้รับความสงบสงบัดปฏิบัติให้จิตของตนเป็นพะกพระห้าจิตยังไม่เป็นพระเมื่อใดความสุขของใจถึงแม น, นว่าจะอยู่ในวัดอาศัยบริโภคขบถันจากพระว่าดากโยมหนุ่มห่ม จากคราวญาจากโยมไดยอยู่อาศัยจากสถานที่เขาปลูกสร้างให้ก็ไม่มีทวามสุขใจสบายใจเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าการตกนรกที่ติดตารางไปเอียเกิดนั้นบุคคลผู้มาบวชไม่มีศีลธรรมไม่อรมใจของสนจึงกระวนกระวายแต่สาหาทามสุขไม่ได้นี่แต่ทามทุกข์ใจ เมื่อออกไปจากวัดวาอาวามไปประพฤติตามเรื่องที่เลืตปัญหาต่างๆเขาสุขใจสบายใจในเหมือนการอยู่ในวัดในวานี่เพราะว่านักบวชเหล่านั้นไม่เห็นคุณค่าและไม่ปฏิบัติใจของตนให้สมกับชื่อว่าตนเป็นพระเป็นเลงหาทุกคนบวชเข้ามาประพฤปฏิบัติ ตั้งหน้าัตงตาอุตสาห์พยายามฝึกอรมกายจิตขางสน ส, นสม่ำเสมอไปตามบทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้จิตใจของบุคคลผู้นั้นจะได้รับความสว่างสวัยความสุขความสบายสิ่งภายในใจข้างตนสมกับชื่อที่เขาให้ว่าเป็นพระคือผู้ก่าเกิด และเสื่อสม น, นะคือผู้สงบถ้าหาเราไม่สะพืดปฏิบัติอย่างนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาและสถ า, านที่จะทําตัวของเราให้ดีให้ได้รับความสุขความสบายหรือเป็นพระเป็นเ น, นไปได้เกิด น, นั้ น, านการปฏิบัติของพวกเราท่านจงตั้งหน้าตั้งตาพยายามรักษาทาที่เราเป็นชระพทธ ผูเ้เผยให้เผยจริ ง, จ, ง, จ, ง จ, จริงจังจังจนจิตใจของเราไม่วุ่นวายตั้งวนในสิ่งที่บุคคลทั่วไปต่องตามุ่งหน้ามุ่งตาจะข้ามที่เหลือตัญหามานัตถิทิมุ่งหน้ามุ่งตากราพิปฏิบัติเพื่อสลัดความอยากทุกอย่างออกไปจากใจทั้งตน คนนั้นแหละจะได้คิดว่าเป็นพระแต่การอยู่ในวัดในวาการอยู่กับหมู่กับคณะเป็นธรรมดาที่จะต้องเอาอกใส่ใจทำร่วมการงานกันเพราะเราอยู่ร่วมกันทุกด้วยกันทุกด้วยกันถ้าหากเราไม่เอาใจใส่ในขอวัดปฏิบัติส่วนใดนองถ่ามได้เที่ย กาปรปฏิบัติของเราถ้าหาเป็นผู้มีปัญญาผู้มีการพิจารณาในคิดจะต้องขัดข้องท่าหาผู้มันนึกคิดอะไรกว่าไม่มีการขัดข้องคอยอรัตเอาเปรียบบุคคลผู้อื่นเราไม่ทำกว่าขอยใจว่าเรามีปัญญาเราไม่ทำกว่าขอยใจว่าเราได้รับความสุขความสบายความนึกคิดชนิดนั้นไปอยู่ในหมู่คณะ สถานที่ใดได้รับความลำบากอยากเหยียดเปเหตุให้หมูคณะรังเกียจและตัวเองก็เสี่นตัวเองได้เพราะเหตุที่ไม่จะทำตามหมูตางคณะต่างๆเหตุนั้นการ ง, งานส่วนรวมเป็นการตัดกวาดก็ดีหรือการตักน้ำอะไรก็ดีล้วต้องเอาใจใส่ เพราะส่วนนี้เป็นส่วนรวมส่วนกานรตรอชิปฏิบัติส่วนตัวแล้วเราก็ต้องเอาใจใส่ที่สิดไม่ต้องใครูบาอาจารย์หรือท่านผูู้อืน่นเนี่ยสอนมากเท่าไรเพราะต่างคนต่างต่างใจมาตระชิดปฏิบัติอุตสาหพยายามทำคุณงามความดีเดินตรงลมภาวนาตาหนาขีของศ์ หาพวกเราทุกคนฝึกฝนจิตใจทั้งตนไป บ, บ่อยๆจิตใจที่อยากก็จะกลายเป็นจิตใจที่ละเอียดใสจิตใจที่โงก่ก็จะกลายเป็นจิตใจที่ฉลาดขึ้นเพื่ออำนาจการขัดเราหรือการฝึกอบรมเพราะทุกคนถาาหากไ ม, ม่มีการฝึกการอบรมก็จะเสียฉลาดไปในได้ เสด็จนั้นพวกเราท่านที่อุตสาพยายามตังหน้า ต, างตาังๆาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจงพากันพยายามขาเกลี่ยนแต่ทำบำเพ็ญตามหน้าที่ทั้งสนจนให้เมนกับสื่ว่าเป็นชักคือประเสริฐในจิตในใจทุกสิ่งทุกอย่างล้วได้แก่ไสลรวได้กดเสี่ยงออกไปจากความทุกข์ าหากเราไม่ละลึลกนึกคิดเรากอกได้คือว่ามาบวชคิดเพื่อจะบวชให้ดีต้องมีการน็กคิดหรือดัดแปลงตัวเองแต่เขาทำงานภายนอกหากถาดสติปัญญาหากถาการทีิจนารณาในคิดก็อาจผิดทาดไปได้นี่เรามาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น สื่ที่ละเอียดยิ่งเราต้องพยายามนึกคิดและฝึกจิตใจท่องตนการบวชคือการดัดแปลงกายใจให้เข้าไปสู่เรื่องของธรรมดินในนิสัยว่าแต่น้อมธรรมดินในเข้ามาสู่กายใจของเราพอเราเป็นคนมีชี้เลืดถ้าหากเอาธรรมดินในมาใ <c oughs> ส่จิตใจของเราที่มีชี้เลืออยู่แล้วชี้เลือดเหล่านั้นจะนำธรรมดินใน ของพระพุทเจ้าไปใหญ่ทําให้ทำดีในเศร้าหมองหรือเสียหาหากเราน้อมตายใจของเราเข้าไปสู่ทำดีในตายใจในดีส่วนใดก็จะดัดแปลงใส่ทำดีในแล้วตายใจของเราที่เคยทำเคยพูดเคยคิดคิดพลาดไปต่างๆกอ น, นับบันนับเวลาที่จะสะอาด ด้วยที่จะสว่างสวัยดีดีขึ้นทุกวันทุกเวลานี่เป็นทางที่พวกเราท่นจะควรที่นิพพยานฝนะึกอบรมตัว ข, ของเราถ้าหากไม่ฝึกอบรมแล้วอยู่แต่ฐานที่ใดปล่อยวันเวลาไปอยู่แต่ฐานที่ใดไม่เอาใจใส่ในการปฏิบัติมาอยู่นี้ สรงจิตไปโน้นกว่าจะไปทำความผาดความเลี้ยนพอไปถึงขีฐานเหล่านั้นเกิดความขัดข้องเกิดความไม่พอใจสรงไปที่มันผลที่สุดไปแต่ฐานที่ใดที่เหลือที่อยู่กับใจเกาะของเสาเราไม่ชำระสะสางมันก่อจิดไปอยู่อย่างนั้นเหมือนกันกันกบผ้าของเราที่ตกระปกถ้าเราไม่ซักฟอกออกเมื่อดใดจีนเน้นหรือความตกตะกบเหนนั้น จะจิตเลื่อยไปถ้าหากเราตั้งใจทักฟอของโตกโปกออกเราไปอยู่สถานที่ใดเมื่อมันเปลี่ยนอะไรเท่าเราหมั่นทักฟอกออกผ้าของเราพอใจหน้าหกหน้านุกผันใดจิตใจของพวกเราทั้งหลายถ้าหากจะไปนึกคิดว่าไปสถานที่นั้นจึงจะทําความผาดความเพียน เมื่อไปถึงสถานที่แล้วทรงจิตปล่อยใจไปที่อื่นไม่ทาคำวามเปลี่ยนตามความนึกคิดของตนเอาไว้ว่าจะไปที่ใหม่เสียก่อนก็เหมือนกันกับผ้าที่ตกระปกุกไปสถานที่ใดประสบกระปุกเลื่อยไปจิตใจก็สันนั้นเหมือนกันเพียด น, นั้นอยู่สถานที่ใดเราต้อ ง, งอต่างใจอุตส่าห์พยายาม ฝึกอกรมจิตใจซักฟอกจิตใจทั้งตนให้ขาวสะอาดเพราะวันเวลาที่เราจะทําความสุขหรือความดีมันก็หมดไปทุกทีอายุของเรานับวันจะแก่จากเข้าดวนจะตายเลื่อยไปเดือนนั้นเมื่อเราไม่ทําคุณงานความดีเอาไว้ใครเล่าเขาจะมาทําให้แก่ตัวของเราแต่เราสอนตัวของเราสม่าเสมอไป อุตส่าห์ตั้งใจบาปแต่ทำบำําเพ็ญคุณงามความดีจนจิตได้ที่จนผลในการกระทำบำทําเพ็ญท่องตนถาดระยะเวลาใดเสียอกเสียใจให้ตนเองเพราะเราตั้งหน้ามาทำคุณงามความดีวันนี้ได้มีกางงานหรือจิหนึ่งกิจใดมาขัดขวางมาเด็ดทำตาม ความต้องการทังสองคนที่ะระลึกนึกคิดอยู่อย่างนั้นถึงถ้าผ่อนหลับนอนก็ตั้งสติเอาไว้ตั้งใจอยู่ทุกการทุกเวลาตื่นขึ้นมาเวลาใดก็จะทากเพียนพระริยามบำเพ็ญภายใ น, ในใจิตในใจทังสองสม่ำเสมอถ้าหากไม่ะระลึกนึกคิดเอาเสียเลยไปสถ า, านที่นั้นว่ไม่เหมาะไปสถ า, านที่นี้ว่าไม่เหมาะ และที่ไหนมันจะเหมาะแก่ตัวของเราเราเที่ยวไปหาสถานที่หาครูหาอาจารย์มานานและหลายท่านหลายองค์ที่แนะสอนเราตัวของเราเป็นอย่างไรในวัดนี้ทางตั้งจิตตั้งใจที่ไม่ค่อยจะไปคุมบ่อยๆก็คิดว่าพวกท่านทุกคนที่บวชเข้ามามุ่งหน้ามุ่งตาจะ ประพฤติปฏิบัติจึงปล่อยเวลาให้พวกท่านได้ต่อพฤติปฏิบัติตามกำลังศรัทธาของตนเมื่อถัดข้องจิตใจส่วนใดซึ่งผู้เป็นหัวหน้าจะพอแก้ไขหรื่องนี้ น, นำได้ก็ตั้งใจอยู่เต็มที่ที่จะแก้ไขหรือแนะ น, นำให้แต่เมื่อไม่มีอะไรจเลยตาแนะสอนหรือตารแก้ไขก็ไม่รู้จะแก้ไขที่ไห น, น เหตุนั้นกานรต่อพฤติปฏิบัติของเราจึงคว ร, รต่อพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นขึ้นในจิตในใจแล้วทําพูดขึ้นเป็นธรรมเกิดจากการต่อพฤติปฏิบัติเราจะมีข้อศึกษากับครูบาอาจารย์ถ้าหากเราไม่ต่อพฤติปฏิบัติท่านแสดงอะไรก็พอใจว่าถูกไปหมด แสดงอะไรพอเข้าใจว่าผิดไปหมดเพราะเราไม่รู้ถ้าหากเรารู้ท่านสแสดงผิดเราก็ยังจะมีข้อสิดหรือข้อศึกษากับท่านท่านสแสดงถูกเราก็จะเป็นไต ย, ยานกับท่านได้การปฏิบัติจึงเป็นส่งวัดจิตใจของครูบาอาจารย์แต่เชื่อว่าการแสดงธรรมของผู้สแสดงโดยส่วนใหญ่ก็ อ, อยากจะให้ ผู้สะดับรับฟังไล้รับผลรับประโยชน์จากการสะดับรับฟังแต่าการแสดงจะถูก อ, อกถูกใจหรือจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญนั้นเป็นเรื่องของผู้ ป, ปฏิบัติต่างที่จ ะ, ป, ะปฏิบัติเอาเหมือนกันกับครอบครัวที่ทำอาหารมุ่งหน้ามุ่งตาอยากจะให้ผู้รับไปทาน มีความอริยอารมอณ์แต่เทวาผู้รับประทานต่างหน้า ต, าตาาา่างๆาหลายจิตหลายใจบางขันบางคนก็ชอบบางขันบางคนก็ตำหนกว่าเจ็บบ้างเค็มบ้างจืดบ้า ง, ง, งได้ต่างๆนานามีการแสดงธรรมะสมเหมือนกันเป็นของลำบากของยากทางหาผู้พปฏิบัติสแสดงด้วยตนเองสอน ตนโดยตนเองฝึกอบรมตนโดยตนเองรู้เห็นเป็นขึ้นในจิตในใจอย่างไรเข้าไปศึกษานั้นแหละจะได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เฉพาะโดยไม่ใช่จิตชาและเราจะวัดได้ล่ะการประเัศปฏิบัติของท่านหรือจิตใจของท่านสูงต่ำดำขาวขนาดไหนจะเข้าใจชัดเจนเพอเรามี เชิวัดหรือปหลอดเหตุนั้นนักปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีตลอดไปวัดครูบาอาจารย์มักอยากจะถามเสน่์เอาเสียว่าท่านแสดงอย่างนั้นผิดท่านแสดงอย่างนี้ถูกแต่ตัวของเราเองเราเพื่อปฏิบัติเป็นอย่างไรให้าอใจในตัวของเราเสียก่อนจึงไปศึกษากับท่านถัดคล้องท่านกว่าจะ แนะให้สอนให้ถ้าหากเป็นฝ่ายจิตฝ่ายใจถ้าหากท่านคูเป็นครูเป็นอาจารย์มีกำลังสติปัญญามีกำลังทางด้านปฏิบัติถ้าหาก <c oughs> ไม่อย่างนั้นก <c oughs> ารเข้าไปหาท่านก็ไม่ค่อยมีสาราประโยชน์อะไร <c oughs> ความจริงกา ร, ป, รปฏิบัติของพวกเราในวัดนี้ การงานหน้าที่ในค่ายมีการยุ่งเหยิงเวลามีเทียงพอบอริบูรที่จะได้ก่อเพืปฏิบัติแต่เราอย่าลืมว่าเรามาต่อเพืปฏิบัติให้ตั้งหน้าต่างตาทาความสงบสงบัดของจิตของใจเดินจงกลมต่อให้มันปลอมอย่านั้นแสบมันตา ย, ย่าให้มันพุกงพลาดพุ่งซ่านไปตามสัญญาเอาถ้ามันกลมไม่ได้ก็ยังจะเดินเล่นเท่านั้น นั่งก็เหมือนการ น, นั่งสมาธิจะทําจิตท้องตนให้มันคงก็ให้ตั้งจิตตั้งใจต้องรวมระหว่างรักษาอารมณ์ทัญญ้นย่างภายในไม่ให้ออกภายนอกไมใ่ให้เข้าอุตสาห์พยายาม <c oughs> ตั้งสติเก็ดเจาต่อบทบริสรรัมหรือจะเช่งผมขนและและปันหนังเนื้อเย็นกระดูกสถานที่ใดก็ตั้งใจเอาจริงจริงจั ง, จง จนไห่เห็นผลไปจักให้คิดว่า <c oughs> การปล่อยจิปล่อยใจไปสู่สัญญาอารมณ์ต่างๆเราเคยปล่อยไปเป็นเวลานมนานไม่เห็นผลเห็นประโยชน์จากการปล่อยอะไรเราจะมาบังคับใจของเราไม่อยู่ใครเล่าเขาจะมาบังคับให้ให้คิดสอนใจทังตนดังจ น, จนั้นวันนี้หรือปีนี้เดือนนี้เราเอาดีในได้ดีหน้าเดือนหน้าต่าอเราคนเศรา เก็บความดีมาจากไห น, นให้สอนใจทของเรนดังนี้อุตสาพยายามเต็นที่จนฐานมันไม่เอาจริงเอาจังในเวลานี้วันหน้ามันก็ไม่เอาจิงเอาจังอีกเหมือนกันตกคนคนเกา่าจะไปเอาจริงเอาจังที่ไห น, นเมื่อเราสอนใจของเราดังนี้จิตของเราจิตเคยพุ้งต า, ามลำคาญไปสู่สัญญาอารมณ์ต่างๆเมื่อไม่มีต้องการจะออกไปสู่สัญญาอารมณ์และสัญญาอารมณ์ ้ายนอกไม่้ามาตั้งผมเกียวข้อจิตใจของเราเราจะมีโอกาสมีเวลาที่จะเรีนาหรือบอริสัมในสถานที่เราตั้งไว้อย่างเด่นใส่ัดเกนเมื่อเราตั้งใจพใยายามจะทำบำเพ็ญกาจัดอารมณ์ภายในไม่ให้ออกอารมณ์ภย นอกไม่ให้เข้าอุชาตั้งหน้าจดจอบในข้อบปฏิบัติคือกรรมาฐานบทใดบทหนึง่งจิตใจของเราก็จะเข้าถึงซึ่งวามสงบสงบถึงแม้ไม่เข้าสงบสงัดในขณะเวลานั้นเมื่อเวลาออกมาเราก็จะในเสียใจว่าเราได้ส่งจิตใจไปสู่สัญญาอารมณ์นั้ น, น, น แเราต่างหน้าต่างตาพยายามทำอยู่ถึงไม่สําเร็จในวันนี้วันหนะ้าก็จะเป็นผลสําเร็จให้ตั้งใจอย่างนั้ น, นการปฏิบัติหาเราตั้งใจอย่างนั้นทุกท่านทุกคนที่ม่เคยเห็นผลทางคว า, ามสงมบสงบของใ จ, จ, จก็จะเกิดเห็นผลมาจากชัดเจนขึ้นได้ผู้ทีเท่เห็นผลมาจากชัดเจนในตัวแล้ว พอจะพยายามรักษาในความแยกหายเกิดมีมาแก่จิตแกใจส่วนนั้นนับวันจิต จ, จ, จะจะเจริญก้าวหน้าไปสู่ธรรมรุปพ้นจากที่เลวหั้งแต่หากไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันไม่มีเวลาจะบุญเอาว่าสถานที่นี้ไม่เหมาะไปสถานที่นั้นเสีย ก, ก่อนไปสถานที่นั้นก็ไม่เหมาะที่ไหนไม่เหมาะทางนั้นเพระที่เลวของเรา อักบันใน เ, เห็นสถานที่เป็นของไม่เหมาะผัวไไปหาผู้ที่ตั้งใจเอาจริงจังแล้วสถานที่พอวิเวกได้ในมีจิตสรงางงานภายในวัดในมีบุคคลเพื่อพาไปมาหาสุ่อุตสาตั้งหน้าตั้งตนฤทวิ์ทางศีลทางใจ ส่วนการวิเวกทางกายพอเป็นไปเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากสอนตนอย่างนั้นออกพูดตนอย่างนั้นทุกท่านทุกคนจะไปสบผลคือการวิเวกทางใจการวิเวกทางใจเป็นของสําคัญยิ่งกว่าการวิเวกทางกายแต่อุปกรณ์ที่จะเข้าไปถึงวิเวกทางใจได้ก็อาศัยวิเวกทางกายอีกเหนือนกันเกลดนั้น พระพุทธเจา้าเรือกครูบาอาจารย์จึงแนะสอนนักภาวนาให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาเพื่อจะลบหลีดถึงอารมณ์ภายนอกเข้าหาความสงบสงสัดเมื่อไปถึงสถานที่ที่เรือกอย่างนั้นถ้าเราท่านไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติถึงงายใจเรืยกแต่จิตใจส่งไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์ที่เลืตัญหาที่เรา เคยเห็นมาด้วยตาเคยได้ยินมาดา้วยี้เคยอยู่กับหมู่กับคณะี่ปรุงไปต่างๆจิตใจก็ไม่มีวันมีเวลาจะไปไปสบแพกวีเวททางใจได้นีวานทั้งห้าเข้ามาเกี่ยวพนอยู่ในจิตในใจตลอดการตลอดสมอหากเราได้สีเวทแล้วก็ตั้งหน้าตัางา้ตงาตาเราเพื่อปฏิบัติกรรมศักด เื ja on, ่สัญญาอารมณ์ต่างๆออกจากจิตจากใจของเราเอาสัมมฐานเข้ามาที่นึกที่ใจนะอยู่ทุกวันทุกเวลาจิตใจจิตใจฟุ้งซ่านลำคาญเคยคิดเคยอ่านตามสัญญาอารมณ์ก็จะสงบเข้ามาระงับเข้ามาผลที่สุดพระที่เรียกว่าของเสด็จเป็นอย่างไร เราจะประสบพบเห็นด้วยใจของเราเองการเประเปรตอย่างนี้พระที่แท้จริงเป็นอย่างนี้พระอย่างนี้บุคคลผู้ใดได้ประสบพบเปลียนเข้าจะเป็นมงคลเจริญผมกับว่าสมณา น, นะนั่นจะทัพนักคือเห็นสมณนะอันแท้จริงสมณนะส่วนที่เราเห็นอย่างคู่บาอาจารย์ผีดทานมีความ ดีความดีอย่างนั้นอย่างนั้ น, นเป็นสมณะภายนอกม่ใช่สมณะภายในถ้นาหากเราเห็นแล้วไม่สนใจใจ่แสบใส่ไม่สนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามผลที่สุดสมณะเ่านั้นก็ไม่เห็นเป็นผลเป็นประโยชน์อะไรแก่เราถ้าหากเห็นสมณะภายใ น, นที่ีตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆแจ้งแ จ, ง จ, งจง้เห็นความสงบสงบัดผล็นสมณะลงังเลดับ สัญญาอารมภายในส่วนของตนเห็นสมณะผู้ประเสริฐยิ่เสด็เกิดขึ้นในจิตของตนจะเป็นมง ค, คอันสูงสุดเห็นสมนะหรือเห็นพระผู้ประเสริฐอย่างนี้เราคือว่าผู้เห็นสมณะที่ดีและเป็นส่องทางที่จะติดความคิดนึกต่างๆจึ่งเราเคยสงสัย ภายในใจของเราออกได้แต่การประพฤ่อปฏิบัติรเราพอเพื่อปฏิบัติมาเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้และเชื่อเหลื่อมใสในการกระทำขั้งตนความเพี้ยนมั่นขยันเพราะเห็นผลที่ตนประพฤ่อปฏิบัติจะมีเมื่อสุนทรีสุดการหลับการนอนการอยู่การกินต่างๆในถือเป็นของสําคัญเพราะจริงเหล่านั้นเปี่ยงต่าทางชีวิต ไปเป็นวันวันหรือเราขบเราฉันเราหลับเรานอนอยู่ตามความทองาำของเราคามแก่ความเท่าคามเสีคยคทานตายก็จะมาถึงในตาใดสมัยหนึ่งอย่างแน่นอนควนความเป็นความไปของจิตของใจที่เราได้เราเห็นไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะเสื่อมเสียหรือที่จะแก่จะเท่าแก่ร่มแะตาย เพรนไปจากาติเกนในตนของตนอย่างนั้นก็มีความใยันหมั่นเพียรอยากจะทำบำเพ็ญให้รู้ให้เห็นให้เจ น, นให้ไปหรือให้ได้ให้ <c oughs> ถึงสึ่งลิมดิความหลุดพ้นของจิตของใจนี่แหละเรื่องของพระของเนรที่บวชมาในคราสาสนาพรามุ่งหน้ามุ่งตาอุตสาห์พยายามละจิตการบานท่องออกมา ดีดามาันดาฤทธ์วงยากตลอดอุปชาอาจารย์มุ่งหน้ามุ้งตาแมสอนอยากจะให้พวกเราทุกท่านมีความสุขความสบายเห็นทำเห็นมือในเป็นความสุขของใจไม่อยากจะให้พวกเราคิดหายเป็นคนได้รับทุกแต่พวกเราผูกประเพสตจิตระหาสใดคิดคำนึงคำนวณถึง น้นดจิตน้ำใจของอุปชาอาจารย์วิบิดาบรรดาของเราไหมเราอยู่สถานที่ใดกอดปล่อยกายปล่อยใจไปตามพิเดษปัญหาเกิดเชิญไปตามปัญญาอารมณ์ต่างหาเราไม่แนะสอนไม่ดีบบังคับตัวของเราในกดดันจิตใจของเราจริงจังแล้วจิตใจไม่มีวันมีเวลาที่จะได้รับความสงบสงบมันมีวันมีเวลาที่จะปฏิบัติถูก ตามคมตามด้่นในของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่ า, านเคยเป็นแบบสินที่ดีของพวกเราเมาื่ดับตาลาจรจใ จ, รจรทั้งทันทุกสิ่งทุกอย่างอุตส่าห์พยายามบังคับจิตที่เคยจิตสุขในอนิจจนบังคับตัวของทันได้จึงเป็ น, นาศาสตาของพวกเราทั้งหลาย นี่พวกเราไม่เป็นอย่างนี้นบางครับจิตจิตเคยจิตฝ่ายอาวุธไม่ค่อยจะไหวเถ้าไม่ตั้งใจเอาจริงเอาจังตั้งใจเอาจริงเอาจังก็ไม่รู้วิสัยในกาปรปฏิบัติเมืม่อเห็นผลพัฒน์ขึ้นในจิตในใจในความสุขความสบายหรือเห็นหน้าตาของสมณนะีทธิ์จริงจังแล้วจิตใจของเราควรจะไหลแหงเลยร้อนเต็มสุข ขันยาอารมณ์ต่างๆเหตุตนั้นทุกวันทุกเวลาช่วงพากันอุตส่าห์พยายามฝึกผลอบรมใจใจของนอตนเพาะเหตกังวลา ง, งานนั้นอีกไม่สู้จะมีให้สมกับหน้าที่ของเรากว่ามาปอบพิสมาปฏิบัติส่วจกำจัดความสัวช้าลามก์ต่างๆหากเราทุกท่านทุกคนสนใจ และเราเลืกปฏิบัติตามธรรมะที่แม่สอนมานี้ก็จะพากันมีความสุขกายสบายจิตสึงเคยนึกคิดเพี้ยนาตไปต่างๆก็จะมีความสงบเยือกเย็ น, ยนเข้าไจจึงขออาราพนาทุกท่านอุตสาเ์พยาามทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าเยายามบังคับ่างจิตของตนให้ หลักจากผลด้วความสนมิทสนมัมนะทายเลยจิดในใจของตนหาทุกทันอุตสาพยายามอย่างนั้นก็จะมีวันมีเวลาจเจริญตาว่าหรือยืยนยงคงอยู่ในพระพุทธศาสนาในว่าสารแห่งการอธิบายทรรมะเพราะความสุขความจเจริญย่อเกิดมีแก่ท่านนักปฏิบัติทุกคนหน้ากันเถินเอว